การที่เราจะพูดธรรมะออกมาได้จริงๆเนี่ยมันต้องพูดออกมาจากจากใจตัวเองเพราะฉะนั้นธรรมะที่พูดตามคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบหนึง่งธรรมะที่พูดออกมาจากใจตัวเองมันจะเป็นภาษาของตัวเองแต่ถ้าคนฟังเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วมีประสบการณ์แล้ว ก, ก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันก็มันก็สิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาเฉยใครๆองค์แต่ละองค์จะมีประสบการณ์มีอุบายมีวิธีการที่ จริงๆมันแต่และองค์ก็ไม่เหมือนกันทางที่มาบางคนก็ต้องไปอดข้าวบางคนต้องไปทรมานตัวเองเ อ, อ, อย่างสายที่ผมพูดได้ฟังนี้เป็นสุขขาปฏิปทาหมดอันนี้ไม่ต้องไปทรมานทุรกรรมเลตัวเอง เ, ออเพราะนั้นก็คืออุบายใครเป็นอุบายคนนั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําแบบเดียวกันแต่หลักการปฏิบัติธรรมมันต้องถูกก่อนเราจะเห็นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะๆจะแย่อันนี้ปฏิบัติมานานๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมตลอด เขารู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรู้สึกว่าก็อะไรกระทบก็กระเทือนเหมือนเดิมก็คนพวกนั้นจริงๆก็ต้องสังเกตแล้วว่าไอที่ทำอยู่มันทาถูกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยไม่มีอะไรก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับไปมองตัวเองแล้วว่ากาลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ทำอยู่มันถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็มีคาสอนเยอะถ้าเราจะถามนักปฏิบัต ที่รู้จักก็ได้นี่ก็ถามว่าปฏิบัติธรรมนี่คือทำยังไงทุกคนก็ตอบเหมือนกันรู้ใช่ไหมทก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นอันนี้ทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดแต่ไอรู้ที่ว่าเนี่ยมันรู้จริงหรือเปล่าเหมือนเราถ้าเราไปถามคนข้างๆเราที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถามเพื่อนเราที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปถามเขาว่าเวลาโกรธนะรู้ไหมทุกคนก็ตอบรู้ดิทํำไมไม่รู้ใช่ไหม เราลองเทียบกับตัวเองว่าเวลาเราโกรธน้่เรารู้เนี่ยมันต่างจากเขารู้หรือเปล่าถ้าไม่ต่างกันนี่ต้องต้องต้องต้องสังวร น, นิดนึงแล้วทําไมเราปฏิบททัติทำแล้วรู้กับเขาก็รู้เราทำไมมันเหมือนกันเปรียบเลยว่าใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่จะไปรู้เนี่ยเขาไม่ได้เตรียมจิตเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเตรียมจิตยังไง คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาก็รู้เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่รู้เขาจะข้ามถนนเขาก็รู้เหมือนกันเขาโกรธเขาก็รู้เหมือนกันเขาดีใจเขาก็รู้เหมือนกันไอคนปฏิบัติธรรมเนี่ยความต่างของการรู้ก็คือว่าเรารู้บนพื้นฐานของความไม่มีตัวตนแต่อัที่เขารู้เนี่ยเขารู้บนพื้นฐานของความมีตัวเรามีตัวตนเต็มเต็มเลยพอสภาวะอะไรมาเขาบอกเขาก็รู้เหมือนกันแต่เขาเข้าไปเป็นกับมันด้วยเข้าไปอยู่ในอยู่ในอารมณ์ในอารมณ์ในกลืนกิน เขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่นักปฏิบัติเราเนี่ยเรารู้เนี่ยเราต้องรู้บนพื้นฐานของความไม่มีตัวตนพื้นฐานของความว่างบนพื้นฐานของความเป็นปกติทีนี้ว่าเราจะรู้บนพื้นฐานแบบนั้นได้ยังไงเราก็ต้องมีハウทูมีวิธีการก็คือเราก็ต้องฝึกจากความรู้สึกตัวผมพูดแบบนี้ก็ความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอีก<笑>จะมีคนจะพูด ในทางละเอียดเช่นว่าอา้าคนในโลกเขาก็รู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่เขาไม่รู้สึกทำไมเขาจะไม่รู้สึกตัวใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวของนักปฏิบัติเนี่ยขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราไม่มีความคิดขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของความที่เราพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงเราอยู่บนพื้นฐานของสภาวะแห่งความราบเรียบแห่งความที่เงียบเชียบอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรกระเพื่อมหวั่นไหวบนความรู้สึกตัวนั้นเหมือนถ้าผมบอกว่าอตอนนี้ลองนั่งสบายๆลองนั่งผ่อนคลายนั่งเฉยๆเหมือนเราไปทำงานมาหรือเราไปออกกำลังกายมาแล้วเราก็พักเหนื่อยเรามานั่งเฉยๆจากที่เคยกาลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยสภาพสภาวะของจิตเนี่ยมันก็ค่อยผ่อนคลายใช่ไหมมันค่อยๆระงับลงใช่ไหมจนมันเงียบเชียบนั่นแหละ ไอแบบนั้นแหละคือมันปกติแล้วเราก็ต้องรู้จักสภาพสภาวะออกมาเป็นปกติแบบนั้นไว้รู้จักกันบ่อยๆคนที่ปฏิบัติทําใหม่ๆเนี่ยเราเลยต้องมีการทําในรูปแบบเพราะว่าเราต้องการให้เกิดการรู้จักสภาพสภาวะเนี่ยให้มันบ่อยให้มันเค้าเคลียกับสภาพสภาวะแบบนี้พอเราทําในรูปแบบเป็นประจําทุกวันมีวินัยทําทุกวันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า ความเป็นปกติที่เรารู้จักมันเนี่ยจิตมันได้รู้จักของดีได้รู้จักของที่สะอาดสะอ้านได้รู้จักของที่ประณีตเนี่ยมันก็อยากจะรู้จักทั้งวันนั่นแหละแต่เราต้องแฝงฝึกมันก่อนให้มันเฮ้ยรู้จักไว้นะมันเราสอนให้รู้จักกับคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักทีล น, Durham, ul, ทลนิตเทีลนิตทเลนิตพอเรารู้จักว่าเขา <tit le> เป็นคนดีนะ <tit les> เขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนนิสัยดีเนี่ยเราก็อยากจะรู้จักเขามากกว่านี้เราอยากจะอยู่กับเขาเลยว่าย่งไรใช่ไหม นั่นแหละพอเรารู้จักความเป็นปกติได้เรื่อยๆบ่อยๆแบบนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันอัตโนมัติเองในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะเริ่มหันกลับมาที่จะชำเลืองดูจิตบ่อยๆว่าปกติอยู่ไหมพอมันมีอารมณ์กระทบแทนที่จะวิ่งพัวเข้าไปกระทบมันก็คล้ายๆอันนี้ก็ไม่อยากจะเข้าไปแบบนั้นอันนี้มันจะกลับมาอยู่กับความเป็นปกติดีกว่าลักษณะนี้แหละที่เรียกว่าจิตก็มีกําลังแล้วลักษณะนี้ก็เป็นเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิแล้ว คือจิตมันไม่เอากับความปรุงแต่งมันก็จะอยู่กับความเป็นปกตินี้เพราะฉะนั้นพอเรามีความเป็นปกตินี้อยู่เป็นเป็นพื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยอะไรมากระทบอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นมันผ่านเลนของความไม่มีตัวเราพอเรามีพื้นฐานความเป็นปกติก็คือผ่านเลนของความไม่มีตัวเรามันก็มีการเข้าไปจับไปยึดอารมณ์เรานั่นเองเราไม่ได้ว่าต้องไปผักสายไล่ส่งมันเลย หรือถ้ามันจะเอามันก็เอานิดเดียวอะแล้วมันก็ปล่อยแล้วมันก็ไม่เอาแล้วทุกอย่างจะเป็นความเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดขม่ม บ, บังคับห้ามไม่ไม่มีแบบนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ไดมีความเป็นปกตินี่เป็นพื้นฐานเนี่ยอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเรารู้เนแต่มันรู้บนความมืดความมีตัวตนนี่เป็นความมืดเรารู้อยู่บนความมืดตลอดทางต่อให้เรารู้ไปอีกสิปี20ปีมันก็ยังอยู่ในความมืดอยู่ดี มันจะออกมาเจอความสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะรู้จักความเป็นปกตินี้ไว้แล้วรู้จักมันจนเป็นพื้นฐานของชีวิตก้าวแรกที่เราเริ่มรู้จักความเป็นปกติพ้นจากความปรุงแต่เราเริ่มรู้จักความไม่มีตัวตนแล้วก้าวแรกของแสงสว่างที่เกิดขึ้นจะพาเราไปสู่ก้าวต่อไปของแสงสว่างที่ต่อเนื่องขึ้นไปอีกจนในที่สุดเราจะไปถึงสุดทางก็คือเราเป็น หนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นเป็นก็คือไม่เป็นอะไรเลยเป็นความไมเป็นอะไรเลยเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เขาว่าหลุดพน้นหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากก้าวเล็กๆ เ, เพราะฉะนั้นการเริ่มให้ถูกเป็นสิ่งสําคัญมากขณะที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งขณะเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาสติแล้ว ถ้าผมจะถามว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยรู้สึกไหมว่าเรามีความอยู่กับเนื้อกับตัวมากกว่าสมัยก่อนที่เรามีแต่หลงไปในโลกหลงไปในความคิดทั้งวันการที่เรามีมากขึ้นนั่นแหละสัมมาสติเนี่ยมันกําลังก่อตัวเป็นสัมมาส ม, มาธิอยู่อยู่นิดหน่อยละแล้วถ้าเรามีมันได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันหมายถึงว่าหลงน้อยมากอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันเนี่ยวันนี้สมมติกลับมาทบทวน แค่จะไม่หลงเลยก็รู้สึกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดจะพูดจะคุยจะอะไรอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ได้หลงไปกับกิจกรรมนั้นๆจนลืมเนื้อลืมตัวไปไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้กําลังมาถูกทางแล้วอันนี้แหละสมาธิกําลังเกิดขึ้นเป็นสมาธิที่เราเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้จะพาเราไปสู่อริยามารรคได้เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องสมถะวิปัสสนาหรือด้วยซ้ำเพราะในขณะที่เรามีสัมมาสมาธิเนี่ย สัมมาสมาธิเป็นสมาธิของความตื่นรู้คําสอนหรือคําพูดที่ว่าถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้เจริญมีปั ส, สนานะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราสมาธิของสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิบนความตื่นรู้อยู่แล้วบนความตื่นรู้นี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่ว่าเป็นหลบอยู่ที่ไหนเราไม่ได้หลบเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเห็นบนพื้นฐานของความที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเพราะว่าพื้นฐานของจิตเรานั้นเป็นปกติอยู่ ไม่ได้กับเพื่อมบวนไหวถึงมันกระเพื่อมอันนี้เราก็รู้ทันว่าอ๋อตอนนี้จิตไม่ปกติแล้วจริงๆเราดูแค่คู่เดียวก็พอแล้วปกติกับไม่ปกติเพราะมันไม่ปกติเรากอู้ไม่ปกติแล้วเพราะมันไม่ปกติแล้วเราจะทํำยังไงเมื่อก่อนเราก็เข้าไปอยู่กับมันเลยเพราะว่าเราโดนกิเลสลากไปง่ายพอเดี๋ยวนี้เราเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นความเป็นปกติเริ่มขยายแผ่มากขึ้นพอมันกระเพื่อนิดนึงเราก็เห็นอ๋อตอนนี้กระเพื่อมแล้วพอมันเห็นปุ๊บ มันก็ตัดความปรุงแต่งมันก็ไปต่อไม่ได้คือกิเลสมันลากไปต่อไม่ได้พอเราเห็นมันกระเพื่อมปุ๊บเราเขียนอ้อมันกระเพื่อมแล้วแล้วเราก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวอะไรของเราก็ตายต่อแต่เราไม่คิดเราไม่เข้าไปคิดอีกกับสิ่งที่มากระทบนั้นถ้าเราเข้าไปคิดอีกถ้าเราตามไปโดนกิเลสลากไปอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเองความรู้สึกเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวนักปฏิบัติในช่วงเริ่มต้นในช่วงกลางเนี่ย พอมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยบางทีไม่แน่ใจเอ๊ะหลงไปหรือเปล่าถ้าความไม่แน่ใจแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยอันดับแรกก็รู้ทันอันนี้สงสัยเกิดขึ้นแล้วพอสงสัยรู้ทันอุมีสงสัยเกิดขึ้นอันนี้กลับมาดูอารมณ์เป็นยังไงตอนนี้ปกติไหมสมมุติกลับมาเช็คอารมณ์อ๋อปกติอยู่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้หลงไปในอารมณ์ไหนไม่มีไม่ไม่ได้ว่ามีความรู้สึกหลงไปในความสุขหรือหดหู่ไปในความทุกข์มันปกติเงียบเชียบเหมือนเดิมไม่มีอะไร สภาวะนี้ยังอยู่ยังเห็นอยู่นี่แปลว่าไม่ได้หลงแปลว่าแปลว่ายังปกติอยู่นีสใสเรามันเคยหลงไงทุกคนมันเคยหลงมันก็เลยชักแปลกใจเอ๊ะตรงๆตอนนี้รู้หรือหลงวะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราสงสัยไม่ต้องคิดว่าผิดปกตินะอันนี้เป็นปกติของนักปฏิบัติทุกคนให้เรารู้ทันว่าโอ้เราสงสัยมีมีสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาดูอารมณ์ตัวเองปกติไหม แค่นั้นเองถ้ามันปกติอยู่ก็โอเคถ้ามันไม่ปกติอยู่ก็โอเคเหมือนกันก็คือรู้ว่าไม่ปกติเท่ากันหมดเพราะมันรู้เหมือนกันรู้อะไรก็ได้ถ้ารู้อยู่ก็คือแปลว่าไม่ได้หลงคือเฉยๆเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เราเฉยๆเหมือนผมกําลังพูดอยู่แบบนี้ใช่ไหมผมพูดอยู่เนี่ยจะเป็นน้ำเสียงที่ดูกระตือรือร้นใช่ไหมเลิศที่จะบอกธรรมะแต่ภายในผมเนี่ยเฉยๆความเฉยๆเนี่ย หรือความเป็นปกติเนี่ยมันมีอยู่ตลอดการะระเบิสารมันไม่เคยเกิดขึ้นมันเลยไม่เคยดับไปมันมีอยู่แล้วของมันแต่ไอเราเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นเวทนาเราเฉยเฉยเนี่ยมันคือคล้ายๆซื้อบือ้อเฉยแบบซื้อบือ้ อ, อสมมุติว่ามีคนที่เราชอบแล้วเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราก็ทําอืมอืมเหมือนเป็นก้อนต้นไม้แล้วก้อนหินอันนี้เรียกว่าเราเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เรากําลัง ทำเฉยอยู่แต่ความเฉยหรือความเป็นปกติอันนี้ไม่ใช่เวทนาอันนี้เป็นเป็นเป็นการพยายามอธิบายสภาพสภาวะของพุท ธ, ธะหรือของนิพพานแต่พยายามอธิบายออกมาเป็นคำพูดให้คนเข้าใจได้ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือปกติอยู่ระบเรียบเงียบเชียบอะไรแบบนั้นแต่ตื่นรู้เป็นความตื่นรู้บนความเป็นปกติอยู่ เราจะมีสภาพสภาวะล่าเริงเหมือนคนในโลกทั่วไปเลยแต่ข้างในเรามีพื้นฐานอยู่บนความไม่มีตัวเราพอมันไม่มีตัวเรามันก็ปกติอยู่เพราะว่าถ้ามันมีตัวเราอยู่มันจะเป็นพื้นฐานของตัณหามันจะพร้อมจะกระเพื่อมหวั่นไหวตลอดเวลายังไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าเป็นเราเฉยๆเ ป, เป็นเวทนาหรือว่าเราเห็นความเป็นเฉยๆหรือความเป็นปกติอยู่ ยังไม่ต้องเข้าไปสับสนกับอันนี้อย่าพิ่งวันหนึ่งจะรู้เองวันหนึ่งที่เข้าใจอะไรลึกซึ้งมากขึ้นจะรู้เองว่ามันแตกต่างกันยังไงวันนี้อธิบายด้วยคำพูดมันยากและยิ่งจะไปคิดอีกเดี๋ยวจะยิ่งฟุ้งซ่านเลยอันนี้จะสับสนบเดิม